สีกับหนูณนะป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งที่นั่นเป็นแหล่งหากินของบรรดาสิงสารสาัตว์น้อยใหญ่ที่ต่างสูญพันธ์ไปหลายชนิดแล้วในเวลานี้ยังมีราชสีห์อยู่ตัวหนึ่งค่ะมันเป็นเจ้าป่าที่มีอำนาจมากในที่แห่งนั้นสัตว์ทุกตัวต่างเกรงขามกันไปทั่ว คงจะยกเว้นเจ้าหนูแสนสนผู้ไร้เดียงสานั่นเองวันหนึ่งราชสีนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กำลังฝันหวานถึงเจ้าสาวอยู่พอดีเสียงกรนกวนของมันดังตึกก้องไปจักกจี้หูของเจ้าหนูแสนสนที่กุดรูอยู่ไม่ไกลจากที่นั่น มันจึงค่อยๆ ย, ย่องขึ้นมาจากปรูแล้วกระโดดเข้าไปใกล้ใบหน้าของสิงโตเจ้าป่ามันเล่นฝอยน้ำจากฝักบัวที่กระจายออกมาจากปาก ข, ของเจ้าป่าสักพักพอเบื่อก็ปีนขึ้นไปกระโดดเล่นบนตัวบ้างมุดไปตามขนที่ซอกคอบ้างยิงตรงไหนที่กลิ่นแรงมันจะซอกซอนไปสูดดมอย่างเพลิดเพลินตาวิสัยหนูเวลานึกสนุก ก็ดึงโน่นดึงนี่ตามประษาหนูเด็กเจ้าป่านอนไปสะดุ้งไปเอาเท้าตะปบไปทางที่มันรู้สึกคันเดี๋ยวย้ายไปตรงโน้นเดี๋ยวย้ายไปตรง น, น, ยยรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายเจ้าป่าทนรับคานอีกต่อไปไม่ได้แล้วจึงดิ้วตาขึ้นดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็มองเห็นเจ้าหนูกระจกกาลังโผนหนวดเส้นหนึ่งของตน แล้วเมีย่ยงตัวขึ้นไปบนหลังของมันมันนึกรำคาญในใจแต่ก็ยังอดทนอยู่เจ้าหนูโหนตัวลงมามาแล้วทำเช่นนั้นอีกอย่างคึกขนองไม่เลิกลาราราชสีห์ให้โอกาสมานานแล้วเห็นว่าถึงเวลาที่มันจะต้องสั่งสอนเพื่อให้บทเรียนแก่เจ้าหนูเกเรสะที ร้องคำรามพร้อมกับใช้อุ้งเท้าของมันตบเกี่ยวเจ้าหนูเกเรขึ้นมาห้อยโตงเตงอยู่เบื้องหน้ากลางพูดว่าวไอตัวกระเปียเฮ้ยไม่เจียมตัวซสแล้วเจ้ารู้ไหมว่าข้าคือใครเจ้าหนูรู้แต่ก็ยังทําไก่สายหน้างึกๆงึ้ายังมายียวนหยามเกียข้าอย่างนี้ เมื่อชเข้าไปอยู่ในซออฟันของข้าสะเถอะว่าแล้วก็อ้าปากกว้างพร้อมกับหย่อนเจ้าหนูลงในปากยังไม่ทันจะงับเจ้าหนูที่ห้อยตองแตงอยู่ตรงหน้าก็ร้องมิงวรนขอชีวิตท่านเจ้าป่าจ๋าเปิดฟังข้าก่อนอย่าพุ่งรีดต่วสรุปข้ามีเหตุผลขออธิบายหน่อยสิ ถ้าฟังแล้วท่านยังไม่หายกดค่าก็ค่อยจัดการค่าแล้วกันนะท่านนะราชาสียอมฟังเหตุผลของเจ้าหนูเอาละขอกันมาดีๆอย่างนี้ก็จัดให้เชิญมีอะไรว่ามาท่านจา๋าได้เปิดไวชีวิตค่าสักครั้งหนึ่งเถิดนะ เดี๋จะมาจะแก้ท่านแม่เป็ดนิดพะเอิญเจนกนของท่านหนาดังมากท่านรู้ตัวไม่จอามันมาปุกข้าตื่นแล้วข้าก็เลยนอนไม่หลับถ่านอนไม่หลับท่านก็จะงหดหิดใช่ไหมท่านทีนี้ข้าก็มานึกตูทำยังไงล่ะที่จะหายงดหิวพอแม่ข้าเคยสอนว่า ยาปล่อยใจให้หงุดหงิดมันเป็นยาพิษทางใจข้าก็เชื่อแม่มาตลอดพอหงุดหงิดขึ้นมาทีอะไรก็ต้องหาเรื่องสนุกสนุกทำในเดิมไม่หาที่มาของเสียงน่ะแ้่ท่านก็คงไม่รู้ตัวหลักสีว่าท่านเพิ่น้ำไรอย่างมาจะแปลกตอนหลับน่ะทำเอาข้าเปียกมาลอกมาแลกเลยข้าก็เลยต้องหาที่เช็ดติ้จับให้แห้งไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหวัดซะ แม่ก็จะเดือดร้อนต้องดูแลเวลาค่าเจ็บป่วยฟังดูสิท่านค่าน่ผิดตรงไหนเจ้าหนูก็ฉลาดนะคะตรงที่มันใช้เหตุผลเพื่อถ่วงเวลาทำให้ราชสีใจเย็นลงบ้างและก็ยังอาศัยศิลปะในการเจรจาต่อรองให้ดูเหมือนว่า ไม่ใช่ความผิดของมันซะทีเดียวแต่เจ้าป่าต่างหากที่มีส่วนเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เอา้าแล้วที่เจ้าเล่นเนียวโหนอยบนนวลข้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนขาดนลำคานไม่ได้เนี่ยมันแก้มกันจะชัดๆน่เจ้าหนูรีบออกตัวขอโทนนะเจะท่านพนะ่าเอิญข้านะ่เช็ดตัวไม่แห้งดีแล้วก็ต้องรีบกลับบ้าน หรืยอยากจะให้ตัวแห้งเร็วๆก็เลยต้องโหนขึ้นลงเพื่อให้ลมมันกระแทกตัวค่าให้แห้งเร็วขึ้นหนะนะท่านนะไว้ชีวิตข้าเถิดข้าหนับเป็นลูกหนูป่านนี้แม่ข้าคงคิดถึงห่วงข้าแคบแย่แล้วไว้ชีวิตข้าเถิดข้าจะไม่ลืมมุนคุณของท่านเลย ไว้มีโอกาสข้าจะมาตอบแทนเจ้าป่าหัวรักอินดูในคารมของเจ้าหนูยิ่งนักหัวหน้าอย่างเจ้ารถจะมีโอกาสตอบแทนคุณข้าแต่เอาเถอะเจ้ามีแสนฉลาดเหลือเกินพูดจนข้าใจอ่อนเขาเป็นว่าเจ้าเป็นลูกที่น้ารักเหมือนอย่างที่เจ้าอวดตัวนี่แล้วก็ อาจะเห็นแก่แม่ของเจ้าก็แล้วกันจงรีกลับไปซะแล้วไม่ต้องมาให้ท่าเจอน้าอีว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มามิช้านานราชสีตัวนั้นพลาดท่า ให้ติดบ่วงในพานเข้าจะดิ้นรนเท่าไรก็ไม่หลุดมันสิ้นปรรัญญาร้องปรวนครางกล้องไปทั้งป่าโอ้ ย, อ ย, อ ย, อยช่วยดวยโอยช่วยบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีใครเลยที่จะช่วยได้ฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงร้องของเจ้าป่าที่มันไม่เคยลืมเลย มันจึงรีบวิ่งมาทันทีร้อมกับถามราชสีว่าท่านคือราชสีเคยไว้ชีวิตข้าใช่หรือไม่จ๊ะเมื่อราชสีตอบว่าใช่มันจึงปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกออกทีละน้อยทีละน้อยจนขาดช่วยให้ราชสีหลุดพ้นจากความตายไปได้แล้วหนูจึงพูดกับราชสีว่า ไงและท่านแต่เดิมท่านเคยหัวเราะเยาะข้าว่าเองหนักตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านได้อย่างไรมาบัดนี้ข้าพระเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นประจักษ์แกแตาท่านเองอยู่แล้ว นิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าความเมตตาแม้แต่เพียงเล็กน้อยแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากอาจนํามาซึ่งการตอบแทนอย่างใหญ่หลวงได้อย่าได้หลงดูแคลนผู้ที่ต่ตําต้อยกว่าเราเชียวนะคะเพราะถ้าเราทําดีกับเขาวันหนึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจจะแทนคุณเราในวันข้างหน้าได้จําไว้นะจ๊ะเด็กๆจงดูเจ้าหนูเป็นตัวอยา่าง เรื่องความฉลาดในการเจรจาต่อรองรู้จักอ่านใจคนและอาศัยศิลปะในการพูดให้คนโกรธใจอ่อนลงได้เรียกว่าเอาตัวรอดด้วยคารมและเหตุผลที่เข้าท่าส่วนราชสีก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการรู้จักครองสติไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธครอบงำผูน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าจำต้องเป็นผู้มีสติปัญญา ใจเย็นรอบครอบและรู้จักฟังเหตุฟังผลสิก่อนความไม่วู่วามหุนหันปลานแลนไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาย่อมให้คุณเสมอค่ะ